นมัตุ พ, พ, พ, พุทธานังนมัตุโพธิยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยานโมวิสุทธิยานโมพุทธายะพุทโธโลกเกอุปโน ธรรมโมโลเกอุ ป, ปนโนสังโฆโลเกอุ ป, ปนโนพุทธโธธรรมโมสังโฆนามัตสามิอ่ะไม่ต้องพนมมือก็ได้ นั่งเอามือภาษาแค่นหน้าตักสบายๆ <c oughs> <c oughs> วันนี้หลวงพ่อสนองจาวาดท่านบอกว่าเต็มที่เลย <c oughs> ก็เลยมีกำลังใจพอตอนมาเนี่ยก็มาตอนถึงที่ก็บ่ายสองโมงก็เลยนั่งพักอยู่ที่สาลา อาคารทรงไทยคุยกับท่านอาจารย์บุญวัยซึ่งเคยเป็นเพื่อนสาธรรมิกกันเมื่อครั้งที่อยู่ที่วัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราดจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีสมเด็จพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระโพธิญาณเถระหรือหลวงพ่อชาช่วงโชตเป็นเจ้ า, าวาดเคยได้อยู่กันแล้วก็สนิทสนมกัน จากนั้นก็แยกย้ายกันเอก็ไปอยู่จังหวัดกาญจนบรุรีถ้าจำมึงไว้ก็มาอยู่ที่วัดสังฆทานก็ไม่มีโอกาสได้เจอเจอกันเมื่อพบจะเจอๆกันในฐานะที่ว่าเคยเป็นเพื่อนสาทธมิจฉมาก็มีความดีใจก็เลยได้นั่งสนทนาคุยกันนานสักหน่อยจากนั้นก็ได้มาที่ห้องสมอด เาหน้าที่เขาบอกว่าหลวงพ่อวันนี้ยาเทศซ้ําเรื่องเก่านะคะตายละของเก่าไม่เล่ามันก็ลืมหมเสีของเก่ามันเป็นของดีนะาจะบอกให้ที่ดินนะที่ดินเป็นของเก่าไหมล่ะเออที่ดินเนี่ยเป็นของเก่าไหมทองคํานี่เป็นของเก่าไหมแล้วมันดีแล้วไม่ดีแหละทองคํำมาึ้นหนาวึ้นหนาวบาทตั้งหมื่นหกพันกว่าบาทแล้วบ้างตอนนี้หรือเจ็ดพันกว่าบาทแล้วไม่รู้ แต่ตอนที่อาตมาซื้อแหวนมั่นแฟนนี่เออวงหนึ่งก็สรึดึงหนึ่งก็ร้อยสี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองทองบาทร้อยสี่ร้อยกว่าบาทแต่นี่ได้ปรากฏว่าบาทแล้วตั้งหมื่นเจ็ดพันกว่าบาทหรือหกพันกว่าบาทอะไรนี่นั่นแหละทองคํามันก็เป็นของเก่าพวกเพชรพวกพลอยอะไรต่างก็เป็นของเก่าเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าหลวงพ่ออย่าเล่าซ้ำเรื่องเก่านะตายละ ถ้าหากว่าไม่เล่าเรื่องเก่าแล้วจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าเพราะของเก่ามันเป็นของจริงมันของออกมาจากดวงจิตดวงใจมันของจริงของชีวิตจริงเพราะว่าอาตมาเนี่ยมันไม่ได้บวชมาตั้งแต่เนน้อยไม่รู้เรื่องรู้ราวเรื่องทางโลกอับเขาเลยการศึกษาหรือก็มีน้อยทางโลกกระจบทผนสี่ทางด้านบาลีหรือก็ไม่ได้มีป ร, ป ร, รียนมหาป ร, รีณอะไรกับเขาเอา เพรานั้นเพลงมันยังมีอยู่ว่า <c oughs> เ อ, อเพลงมันมียังมีอยู่ว่าบุตรการศึกษามีน้อยนว่าอย่างนั้นอืมขาดโอกาสเรียนเพราะจนเป็นคนเลื่อนลอยแต่ว่าไม่ได้เป็นคนจนเลื่อนลอยหรอกแต่ว่าไม่ได้เรียนถก็แลสัยหนังสือความรู้รอบตัว เพราะวันนี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลวงพ่ออย่าเล่าเรื่องเก่านะให้เล่าเรื่องใหม่อั น, นจริงเรื่องเก่าเรื่องใหม่นั้นนะ่ะมันก็ค้าเ้ากันไปเออมันก็ค้าเข้ า, ขากันไปธรรมะของพุทธเจ้าก็เป็นของเก่าแท้มันเก่ามาตั้งแต่ก่อนที่จะมีพุทธเจ้าซี่คำว่าธรรมะธรรมะนั้นก็มาจากธรรมชาติธรรมชาติ ธรรมะธรรมดาชาติชาติมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะคุณนี่คือว่าธรรมชาติคือธรรมะคือธรรมดามันก็เป็นของเก่าเมื่อมันมีโลกมันก็มีอยู่อย่างนี้ เ, เพราะฉะนั้นธรรมะมันเป็นของเก่าพทธเจ้าตรัสบุบั ต, บ, ตบังเกิดคือมารกว่าพุทโธโรเกอุปปโน พระเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแล้วน้องนี่ท่านก็มารู้ธรรมะท่านก็รู้ธรรมชาติท่านมารู้ธรรมดาท่านก็เลยประกาศบอกเรียกว่าธรรมเทศนาเรียกว่าโอวาทเรียกว่าพระธรรมคําสั่งสอนถึงว่าธรโมโรเกอุปโน จากนั้นเมื่อพระองค์ได้สอนแล้วสอนกับใครก็สอนกับปัญจวัคคีทั้งห้าอันมีท่านอัญญาโกลทัญญะอย่างนี้ในปัญจวัคคีทั้งห้าัญญาโก ญ, ญ, ปญ ว, ญญกว ป, ปะมหานามะอัตชิก็ปรากฏว่าพระองค์ทรงอุทานออกมาว่าัญญาสีวัโพกทัญโยัญญาสีวัฏพกทัญโยัญญาสีวัฏพกทัญโย อัญญาโกธัญญะรู้แล้ว น, น้อนี่จึงเรียกว่าสังโฆโรเกอุปนโนพระสงฆ์อุบัติบังเกิดขึ้นแล้วในโลกครบสามรัตนะคือพุทธรัตนะธรรมัตนะสังฆรัตนะดังนี้เพราะฉะนั้นบรรดาเราท่านทั้งหลายผู้ที่มารู้ธรรมะเนี่ยไม่ใช่รู้ของใหม่นะผู้จะรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะเนี่ย คือรู้แจ้งเห็นจริงของเก่าไม่ใช่ของใหม่นี่เพราะใหม่ก็ตามเก่าก็ตามมันก็เป็นสภาพเดียวกันหมดไม่ใช่ว่าหมื่นปีพันปีร้อยปีสามสิบปียี่สิบปีจะไม่มีเกิดขึ้นแล้วไม่มีตายไม่มีเมื่อเกิดขึ้นแล้วเออเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เสื่อมสลายไปในที่สุดนี่เป็นธรรมชาติเมื่อมีชาติคือความเกิดชราชรุทุศมพยาธิความป่วยไขย้มรณะคือความตายการพัดพาจากของรักของชอบใจอันนี้เนี่ยมันเป็นธรรมดาไม้เป็นของเก่าหรือเป็นของใหม่เราเป็นพวกสมัยใหม่เกิดมายุคใหม่สมัยใหม่แล้วไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเหรอ ไม่ร้องหม่มร้องไห้เมื่อพัดพรากจากของรักของชอบใจเหรือเมื่อมีความครับแค้นใจร้องไห้ลำพายลำพันอะไรอาวรเหรอเราเป็นคนสมัยใหม่อันนี้แหละเลยว่ามันเป็นของเก่าทั้งนั้นแต่ว่ามันทันสมัยนะถึงจะเป็นของเก่าก็จริงมันทันสมัยเหรอหรือใครว่าลาสมัยเมื่อเลาเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยพัดพลาดจากของรักของชอบใจใครว่าเป็นของลาสมัยบ้าง โอ้ยฉันเป็นคนรุ่นใหม่ธรรมะเป็นของลาสมัยเป็นของคนโบราณเขาอย่างนั้นเหรอแล้วคนคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ตายกันเหรอเมื่อตอนที่ธรรมายังอยู่ในอเมริกาเนี่ยก็ได้ดูโทรทัศน์ก็ปรากฏว่าเขาว่านักศึกษารุ่นใหม่ฉลองปริญญากันแหกทางโค้งต่างระดับหกศพมั่งคันหนึ่งก อ, อคนสมัยใหม่จะตายได้เหมือนกันนะหรื ว, ว่าคนสมัยใหม่จะไม่ตาย นี่แหละเพราะฉะนั้นวันนี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลวงพ่ออย่าเล่าเรื่องเก่านะให้เล่าเรื่องใหม่เอ๊ะไอ้หาเรื่องใหม่กูจะเล่าอะไรวะไอ้หาก็เรื่องใหม่เรื่องเก่ามันก็มันก็ของเก่าทั้งนั้นเออเป็นอย่างนี้เออสุภาษิตหรือคําแม่ของนักดื่มทั้งหลายแหละเขาบอกเล่าเก่าในขวดใหม่เขายังว่าอย่างนี้เออเล่าเก่าในขวดใหม่ท้องคํา มันเป็นธรรมชาติเออแต่ว่าเขาเอามาแปลงเอามาดัดแปลงมานั่นอะไรต่างมาทำขึ้นให้เป็นรูปร่างอะไรต่างแต่พนันเขาก็ยุบมันก็เป็นทองคำแท่งเป็นทองคำเก้า อ, อีกแล้วพนันเขาก็เอามาหล่อหลอมเข้ามานั่นเขาเขามาเป็นแหวนมาเป็นสร้อยมาเป็นข้อมือมาเป็นอะไรต่างอีกแล้วพนันเขาก็ยุบอีกอย่างนี้อย่าหลหงตามหาบัวเนี่ยเออ ท่านช่วยชาติได้เห็นกับตาเลยอ่ะปลดตุ้มหูบ้างลูดแหวนบ้างปลดสร้อยข้อมือบ้างส่งตาถวายตามหาบัวอ้าวพระนั่นเขาก็ไปยุบหล่อหลอไมไปทองคาแท่งอีกมันก็ของเก่านั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นมันอยู่ในโลกเนี้มันจะใหม่อยู่ยังไงมันก็ต้องเก่าเพราะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดา ของการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเสื่อมสลายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้จะเล่าเรื่องของเก่าให้ฟังของเก่าก็คือธรรมะธรรมชาติธรรมดานั่นแหละแต่ว่าเอามาเล่าใหม่มาพูดใหม่เพราะฉะนั้นศาสนาธรรมคำสั่งสอนขององค์พร ะ, ะมมพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่งอุบัติมังเกิดขึ้นก็สองพันห้าร้อยกว่าปีมานี้แต่ว่า ไม่ล้าสมัยสาธธรรมธรสอนของพระองค์ท่านทันสมัยใหม่เสมอสว่างโลอาโลโกเลยคราวนี้สว่างภายนอกเนี่ยอย่างบนสลาเนี่ยสว่างแสงนี่ออนไฟฟ้าสว่างแต่ในใจลันมืดนะ <c oughs> มันมืดเรื่องอะไรบ้างล่ะมืดเรื่องผัวบ้างมืดเรื่องเมียบ้าง มืดเรื่องลูกบ้างมืดเรื่องผอนรถเขายังไม่หมดบ้างผอนบ้านเขายังไม่หมดบ้างอะไรเล ย, เลยอย่างนั่นแหละเออมันมือดอยู่ในจิตใจเราเออคราวนี้ไอ้ตัวมืดตัวเนี้ยถ้าธรรมะท่าเรียกว่าอาวิชาเออหรือว่าโมหะก็ได้เออโมหะคือความหลง คราว น, นี้พวกเราทั้งหลายเนี่ยที่เกิดกันมาในเท่าทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ที่นั่งกันอยู่บนศาลาหลังนี้หรือที่อยู่ตามบ้านที่ได้เห็นเนีที่ได้เห็นในการแสดงในวันนี้รู้สึกภูมิใจทําไมถึงมาบ่อยละ่ะเพราะมันโก้เดียดได้ออกทีวีอะเขาปกติไม่เคยเลยไม่เคยออกพรรู้จะออกทีวีรีบมาตั้งก บ, บายนสองโมงเขาบอกจะออ ก, กประมาณสามทุ่มนะหลวงพ่อจะออกประมาณสามทุ่ม กลัวก็จะไม่ให้ออกอ่ะก็เลยมาตั้งกบ่ายสองโมงเนี่ยบอกตรงๆเออรีบมาเออกลัวจะไม่ได้ออกทีวีกับเ้าเพราะว่าตามหลักแล้วมันไม่ใช่ออกได้ง่ายคราวนี้จากการที่พระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์สนองกัตะปุญโญอาจจะมาไมไ่เรียกหลวงพ่อเพราะว่าถ้าตามหลักก็คือพี่ชายนั่นเองเพราะว่าท่านเกิดปศท้องสี่แปดเจ็ดปีวอกก็เป็นพี่ชายจะมาหนึ่งปี พ่อตมาเกิดเมื่อวันที่27มีนาพศ2488ก็อ่อนกว่าท่านหนึ่งปีแต่ว่าท่านบวชเมื่ออายุ20ปีก็เลยพรรษาก็เลยมากกว่าอายุสักมากกว่าหนึ่งปีแล้วก็อาตมาบวชเมื่ออายุ25ปีก็เลยถึงปัจจุบันก็เ่39พรรษาพรรษาก็เลยน้อยกับท่านก็เลยถือว่าเป็นพระที่ช่ายเพราะอาจาจะเรียกหลวงพ่อก็เลยไม่เต็มปากเต็มคําเหมือนพวกคุณทั้งหลายเรียกกันก็ เป น, นั้นว่าผ่านไปเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยพวกเราทั้งหลายที่ได้มาเกิดชาติคือความเกิดชาติชาติคือความเกิ ด, เ ก, ดเกิดขึ้นมาแล้วเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเพราะความไม่รู้ถ้าหากว่าเรารู้เราคงจะสวยกว่า น, นี้คงจะรวยกว่า น, นี้ รูปร่างหน้าตาคงจะหล่อเหลากว่า น, นี้อาตมาก็เหมือนกันถ้าอาตมารู้นี่ไม่เลือกมาเกิดหรอกเป็นลูกชาวนาไม่เลือกมาเกิดนูน่นเราไปเกิดตําในวงในวังเลยแหละวัวงหินมัาง <laughs> แถวแถวเฟนทา่นี่นั้นไปเกิด แ, แถวลาดพร้าวเลยห่างวังไปหน่อยห่างวังหิน <laughs> หรือไม่ตลาดเปิดเปิดกันไปนู่นเลยวังตะไคร่นครยกไปนู่นเลย <laughs> เออเพราะฉะนั้นในกรณีเนี้ยเพราะเราไม่รู้ถ้าเรารู้คงจะเตรียมกันมาเยอะเตรียมอะไรมาล่าเตรียมบุญบา ร, รมีมาเกิดมาก็รูปสวยรวยทรัพย์สติปัญญาเฉลียวฉลาดมีทรัพย์สมบัตริสริ่งทานข้าวของแรงต่างมีที่ดงที่ดินอะไรต่างถ้าหากว่าเราเตรียมมาเรามารู้เพราะฉะนั้นเราเกิดมาด้วยความไม่รู้ แต่คราวนี้ท่านกล่าวว่าปุปเพกะตะปุญญาตาการสร้างสมบุญมาแต่ชาติปางก่อนปติรูปเทสวสะก็ไปเกิดส่งไปเกิดในถิ่นสถานที่สมควรย่าตมาเนี่ยเมื่อชาติก่อนมันจะทำมาอย่างไรก็ไม่รู้ชาตินี้ก็มาเกิดเป็นลูกชาวนาลาดพลาวอย่างนี้เออถ้าหาว่า ไปเกิดเป็นลูกชาวนาภูธรมันก็คงจะลําบากสักหน่อยคราวนี้ก็ปรากฏว่าเป็นลูกชาวนานครบาลก็ได้ค่อยชั่วหน่อยได้มีที่นาขายแล้วไปสร้างวัดได้เองเออมันก็คงชาติก่อนคงจะรู้มั่เหมือนกันนะนะคงจะบริจาคที่ดินร่วมซื้อที่ดินสร้างเออซื้อที่ดินขยายวัดสังฆทานากับเขาเออชาตินาเราเจ้เกิดมามีที่ดินกับเขาเยอะเยอะเพราะฉะนั้นนี่แหละเราเกิดมาแล้วมามีความรู้มาได้ความรู้ ในฐานะที่ว่ากิจโฉ ม, มนุสตปฏิราโภการได้กาเนิดเกิดเป็นมนุษย์เออและได้มาพบพุทธศาสนาอันนี้เราได้กล่าวว่าเหตุปัจโยปุเรชาจะปัจโยอุปนิสสะจะปัจโยปุเรชาตเนี่ยเรามีแล้วอุปนิาสัยเรามีเราสร้างมานั่นมาชาตินี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาได้มาพืชปฏิบัติธรรมกันแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีโอกาสให้เราได้สร้างบารมี แล้ว เ, เกิดมาแล้วไม่มีที่ดินไม่มีที่อยู่เป็นยังไงบ้างอาเราพิจรารณาดูมันของง่ายง่าอคราวนี้ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยแล้วแล้ว เ, เกิดมามันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้ว่าชาติคือความเกิดชราชลทุโรศพยาธิความป่วยไข้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยด่านสุดท้ายนี่โอ้โหเออมรณะคือความตายเพราะฉะนั้น หลวงพ่อสนองหรือท่านพระอาจารย์สนองเนี่ยหรือลุงพี่สนองก็ว่าได้ถ้าเป็นผู้มีปัญญาไม่มีปัญญาได้ไงเพราะท่านมีสมาธิคราวนี้ท่านจะไม่มีสมาธิยังไงล่ะก็เพราะท่านมีศีล น, นะท่านมีศีลมีความสำรวมระวังรักษาจนกระทั่งมันตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อมันตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วมันก็เกิดปัญญา เพราะฉะนั้นท่านก็เป็นผู้ที่มีปัญญาท่านสร้างวัดสร้างสถานขึ้นแล้วไม่สร้างแต่วัดเฉยๆท่านจัดการจะเผยแพร่พุทธศาสนาอาอุบาสกไบากาพระพิสดุสัมเนธที่มาปฏิพฤติปฏิบัติธรรมในวัดมันก็ต้องมีที่อยู่ที่อาศัยให้สะดวกให้สบายผู้คนหลังไหลมาเะไรต่างก็สะดวกสบายลานจอดรถบ้านห้องน้ําห้องซ่วมที่อยู่อาศัยเสนาสนะอะไรต่างๆมันก็เป็นหน้าที่ เพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้มีปัญญาท่านก็เลยจาเป็นว่าต้องขยายที่ดินอย่างนี้มันก็เปิดโอกาสให้เราสิเหมือนแบงก์เขาเปิดให้อะไอเราคอยจะไปแตลงำนำนี่เออท่านเปิดธนาคารให้เราคำนิทานธนาคารบุญนะก็พัฒนาคารบุญพระองค์ทรงตรัสว่าสุขข้อปุญญัสักอุจโยการสร้างสมบุญนำมาซึ่งความสุข เราต้องการไม่ใช่วความสุขหรือต้องการความทุกข์อยู่อย่างนี้แหละที่ดินก็ไม่มียาขา้าวป่วยไข้จะไปโรงพยาบาลจะต้องกระตังก็บม่ก็จะมีนี่ท่านเป็นผู้มีปัญญาขยายที่ดินแล้วสร้างเสนาสนะที่อยู่สายลานจอดรถอะไรต่างห้องน้ําห้องตวมแล้วท่านก็นมาพิจารณาว่าพิสูจน์สำเนาอุบาสกอุบาสิกาที่มาพระพิทธปฏิบัติทำกันไปมาอะไรต่างยากไร้นาถาขาดที่พึง่งเออ เพราะฉันจึงกล่าวว่าพุทธโธเมนาโถพุทโธพระเจ้าเป็นที่พึ่งของเราเราจึงได้กล่าวว่าพุทธทางสรนังกระฉามิแต่มันไม่อย่างนั้นเด็กคอยจะสตังธรนังกระฉามิสตังธรนางกะฉามิสตังธรนังกระฉามิมันถึงเดือดร้อนวุ่นวายทุกวันเนี่ยเพราะเรื่องสตังสรนังกระฉามินี่แหละถ้าพุทธทางสรนางกระฉามิแล้วไม่วุ่นวายก็อจะสงบเรียบร้อยก็ร่มเย็น เพราะฉะนั้นประเทศชาติบ้านเมืองเราทั่วโลกก็ว่าได้เออมันเดือดร้อนกัเรื่องดอลลาร์สระนงังกระามิเออปอนสตเตอร์ลิงสระนงังกระฉามิอะไรต่างก็ว่านไปเย็นตระนงังกระามิอะไรก็ว่านไปถึงนี้แห่ไปประเทศญี่ปุ่นกันมั่งไปประเทศอเมริกากันมั่งไปประเทศอังกฤษกันมั่งเพราะว่าต้องการ ส, รสรตังสระนงังกระฉามินี่เองหาที่พึ่งไปแสวงหาที่พึ่งกันเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ย ท่านเป็นผู้มีปัญญาเออท่านเป็นผู้มีปัญญาเอ๊ะเรามาสร้างโรงพยาบาลขึ้นในวัดสังกฐานนี้พิสูจน์สมณีนป่วยไข้ออุบาสกโบติกาป่วยไข้หรือผู้ซีจรไปจรมามาพึ่งวัดพึ่งวาร่างต่างก็ได้เพื่ อ, อได้มาท่านก็มีนิมิคิดสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาที่วัดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนโบราณสมัย โบราณเราสมุนพไพรแรงต่างรักษาลูกรักษาระปู่ย่าตายายเราแรงต่างนั่นกันมาเพราะฉะนั้นท่านก็นเลยบ ร, ริทำขึ้นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านเปิดธนาคารให้เราท่านเปิดประตูสวรรค์ให้พวกเราและทำไมล่ะคราวนี้จะมามเป็นผู้ที่วาสนาบารมีน้อยโอ้โหอยากจะซื้อที่ดินขยายที่วัดกับเขาสตังเราหรือก็ไม่มี ท่านธำบีสร้างโรงพยาบาลท่านว่าโรงพยาบาล200ร้อยกว่าล้านก็ลงไปแล้วร้อยกว่าล้านโอ้สตังเราก็ไ ม, มีเพราะฉะนั้นวันนั้นวันที่ยี่สิบพฤษภาท่านราตนานิมนต์มาขอให้มาสแสดงธรรมที่ว่าตังคทานเมื่อสแสดงจบมั่งกระถวายหมื่นหนึง่งแล้วเราจะไปเอาได้ยังไงแล้วเราก็อยากสร้างโรงพยาบาลมั่งเหมือนกันนะ่ะมันจะไม่ป่วยไม่ไข้อาตอมาเนี่ยได้ให้โรงพยาบาลส่งไปแล้วหนึ่งแสนบาท แต่ก่อนจะให้ก็ยกขึ้นจบก็ก่อนเจ้าบะคูนอย่าได้ป่วยอย่าไข้เลยมันก็เลยไม่ป่วยไม่ไข้วันนี้เมื่อวันที่สิบสามมิถุนาเขานิมนต์ไปแสดงธรรมที่พุทธมณฑลเขาก็ถวายเครื่องธายทานปัจจัยอะไรต่า ง, างเออปัจจัยนี้อาตมาก็เลยคิดว่าถ้านั่นจะร่วมซื้อที่ดินขยายที่วัดเออเราได้ขยายที่วัดกับเขา เออเด๋ยวือที่ดินเขาขวากไว้ในพุทธศาสนามันได้ขวากไว้แล้วไม่มีใครขนไปดอกเออหลวงพ่อสนองท่านก็ไม่ได้ขนไปโร ง, งพยาบาลอะไรอย่างนี้ทาไว้อะไรต่างนี้ว่าขวากไว้กับโลกนี้ขวากไว้กับพุทธศาสนาขวากไว้กับโลกเป็นที่พึ่งของชาวโลกต่อไปเนี่ยผู้ที่มีปัญญาเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเมื่อพิจารณาเอ้ทายทานที่ก็ถวายมาเนี่ยไตยวีวรเราก็มีอยู่แล้วเออเขาถวายไตจยยีวรมาก็รับมาทดลองตาเขา แต่ว่ารับมาอย่างนั้นแหละแต่ไม่ได้ใช้เพราะจะใช้ทําไมล่ะไต ย, ยีวรเราเนี่ยมันโก้กว่าไม่โก็กว่าไงเนี่ยไต ย, ยีวร น, นั่งชุดเลยสังกติผ้านุ่งยีวรผมเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าพราะบรมราชินาประทานให้เมื่อวันเกิดเมืองที่ยีเจ็ดมีนาพศองพันห้าร้อยห้าสสองเนี่ยตตยชุดนี้นี่พระราชนินีพระเจ้ทานนะจ้าจะบอกให้อวดซะหน่อย <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นข้าถวายที่มิ่งทนจะเอาทำไมของเราที่มันโก้กว่านี่มาจากในวงังไปรับมาจากในวงัง เออแล้วแถมเอาเหาะขึ้นไปบนท้องฟ้าอีกด้วยขึ้นหอไปให้ที่วัดเออเออพลตํารวจตีเรวัดกินเกษรผู้ข้าราชการจังหวัดตำรวจภูทรจังหวัดกาญจน บ, บรุรีซึ่งเป็นลูกศิษย์เออเข้าไปรับมาจากในวังแล้วก็เอาขึ้นหอเข้าไปถวายให้ที่วัดก็เลยคลองชุดนี้รู้สึกว่าอดติมยิ้มยิ้มไม่ได้เหมือนกันเอออดติมยิ้มไม่ได้ก็เลยเล่าให้ฟังทั้งหน่อยว่าไต้พระยาทานเนี่ยวันนั้นเมื่อวันที่สิบสามเนี่ยไปแสดงทําที่พุทธมนตรแล้ว ขากลับก็เลยมาแวะที่วัดปฐมบุตรวัดยี่สายตรงข้างพระธรรมการกุ้งหลวงเพื่อมากราบสนทนากับหลวงพี่มหาจอมนงพระธรมโนซึ่งเป็นจเจ้าอาวาสเพราะว่าท่านบวชที่วัดท่านบวชอุปชาเดียวกันวัดเดียวกันก็เลยไปเยี่ยมท่านครา้นี้มันก็ร้อนมาน่ะก็เลยเปื้องออกีวรเลยก็ผึ่งไว้กับลรั้วข้างอุติท่านปรากฏว่าพูดคำหมาดีกว่านะ <c oughs> จะพูดสุนักก็ สุนักมันแปลว่าอะไรรู้เปล่าสุนี่แปลว่าดีอนักนักขานี่แปลว่าผู้มีเล็บงามสุนักเนี่ยแปลว่าผู้มีเล็บงามอย่างนั้นไม่รู้เล็บมันงามยังไงหมาแต่ขอเรียกว่าหมาดีกว่าข้าจีวรผึ่งไว้หมามันวิ่งวิ่งมาถึงยกขาขึ้นข้างนอย่าพูดว่าปัสสาวะเลยนะพูดว่าเยี่ยวดีกว่ามันเยี่ยวรถจีวรเลยโอ้โหพระจีวรพระยถาจะสมเดชพระนางเจ้าหมาเยี่ยวรถแเนี่ย ยังไม่ได้ซักเลยเนี่ยเนี่ยยังไม่ได้ซักเลยเออก็เลาจุ่มน้ําแล้วก็พึ่งแดดให้แห้งเออบวชมาสามสิบเก้าปีหมาเพิ่งเยี่ยรถจีวรเนี่ยสงสัยจ ะ, จะเจอเนื้อคู่แน่ถ้ามันแย่บวชมาสามสิบเก้าปีเนี่ยเพิ่งมีหมายเยี่ยมรถจีวรเนี่ยก็เรยพิจารณาหาคู่นี่ท่าจะเสียท่าแล้วต้องเจอเนื้อคู่แน่แล้วเออจะทํำยังไงกันดีครั้งนี้เราไม่กลัวนี่ เรามีสติอ่ะเมื่อเรามีสติสักอย่างแล้วมันไม่กลัวก็ เ, เป็นงั้นเพราะนั้นที่มันมันขาดสติเพราะนั้นที่ติดคุกติดตารางอะไรต่างกันนั่นกันเพราะมันขาดสติเมื่อขาดสติแล้วเป็นยังไงละฮิริความลายโอตะปะความเกงกลัวมันขาดสติแล้วหิริความละอายโอตะปะความเกงกลัวมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้มีสติเราก็เป็นผู้ที่ไม่กลัวเป็นผู้ที่ไม่ตื่นเต้นเป็นผู้ที่ไม่ตกใจเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ข้าเร่าให้ฟัง เพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเกิดกันมาแล้วชาติหนึ่งที่เราเกิดครานี้เพื่อมาสร้างบารมีเพื่อมากระทำให้ยิ่งยิ่งเราได้มาพึชปฏิบัติธรรมกันเนี่ยการเป็นพืชปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรปฏิบัติธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองเพราะเราเกิดมาชาตินี้วาสนาบารมีน้อยไม่ได้เกิดมาในลรู้วะไวังเขาอาตมา ย, ยังเกิดห่างวังหินเลยอ็ เออทางวางหินไปดันไปเกิดและโชคใครสี่แต่ก็มาวังหินเหมือนกันแหละ <c oughs> ออเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นี่แหละเออเรามาได้ยินได้วังเราเป็นผู้มีปัญญาตาเราก็ดีหูเราก็ดีเขาก็ประกาศอยู่เขาก็เขียนหนังสือบอกป้ายอยู่ว่าเออขยายที่วัดตารางวาละเท่าไหร่หรือสร้างโรงพยาบาล น, นั่นอะไรต่าง <c oughs> เราทําไมไม่สร้างเราทําไมไม่ส่า ไ, มไมเ อ, อเราไม่ฝากขวังฝากขวังไว้เป็นของของเรา เมื่อก่อนนี่มันไม่เข้าใจที่บวชมาเนี่ยมันไม่เข้าใจกะว่าจะบวชสักเจ็วันเท่านั้นแหละแต่เพราะมันไม่เข้าใจอ่ะคิดว่าลูกผู้ชายเกิดมานี่ยสวรรค์ของลูกผู้ชายคือกินเล่าคร้านาลีนี่คือสวรรค์แล้วแล้วเป็นลูกผู้ชายชาติทหารไปลบไปลบลาข่าควันกันนะี่คือวีระบุรุษเออไม่ได้นึกถึงเรื่องบาปเรื่องกรรมอะไรคิดว่าลูกผู้ชายต้องอย่างนั้นการบูร่างผานอะไรต่างๆางนั้นคือชีวิตของลูกผู้ชาย กินเหล้าเมาธุลานั่นคือสวรรค์มันคิดไปอย่างนั้นเพราะมัน ม, มีความเข้าใจเพราะฉะนั้นบวชก็จะบวชสักเ็ดวันก็เลยไปไปมามาสามสิเก้าพรรษาแล้วเนี่ยจากการที่จะบวชสักเจวันเพราะเราไม่เข้าใจนะพอเมื่อเข้าใจเข้ามาแล้วโอ้โหอย่างนี้เองเหรอพุทธศาสนาโอ้โหนี่สแสดงว่าชาติก่อนเนี่ยเราสร้างมาดีนะเนี่ยมาชาติก่อนเราสร้างมาดีจึงได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพุทธศาสนาไม่ง้อยเปี้ยเสียขาไม่ตาบอดบ้าใ บ, าบาหูหนวกตาพิการ เพราะฉะนั้นกุศลาทำมาเนี่ยบุญกุศลที่เราทํามาเนี่ยมันก็ระสง่งผลให้ส่งผลให้ยังไงเล่าพอส่งกระจกดูก็อดจี๊ดจิ๊ดไม่ได้เอ็กูนี่ก็สวยเหมือนกันนะเอ็กูนี่ก็หล่อเหมือนกันนะเออเนี่ยเข้าห้องน้ําทีไร ด, ดูกระจกทุกทีเลยตะโคูนนี้เหมือนกันเนี่ยก่อนจะออกมาเนี่ยเออเข้าห้องน้ําปัสสาวะซะก่อนดูกระจกเอ๊ะกูนี่หกสิบห้าจริงหมือนึงคอยจะ ไม่ใช่มั้งมันคอยเข้าข้างตัวเองนี่แหละโมหะคือความหลงอะ่ะเพราะฉะนั้นที่เราเกิดกันมาเนี่ยถ้าหาว่าเราไม่มีสามอย่างเราก็เกิดไม่ได้สามอย่างเป็นบ่อเกิดถ้าไม่มีสามอย่างขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็เกิดไม่ได้สามอย่างคืออะไรเล่าราคคินาโทสักคินาโมหคีนาไฟสามกองเนี่ย ถ้าหากว่าเราขาดไวยกองใดกองหนึ่งมันก็มาเกิดไม่ได้มันต้องอาศัยไวยสามกองมาเกิดนี่เพราะฉะนั้นเราเห็นโทษของไวยสามกองเนี่ยมันเผาเราทําไมไมันได้เผาล่าโมหะคือความหลงเนี่ยมันก็เผาเราโทสะนี่โอ้โหยิ่งร้อนใหญ่เลยเออราคะนี่เหมือนไฟสขงขรนี่ตีแตกเลย เนี่ตีแตกเองโดยที่ไม่ได้อ่านตำรับตําราเล่มไหนตีแตกเองเมื่อตามที่อยู่ป่าตอนอยู่ป่านี่ตีแตกเองเห็นไฟไหม้ป่าลุกโครงครามมาสมัยก่อนไปล่าชัยนาคเห็นไฟไหม้ฟางกลางทุ่งกลางท่าอะไรต่างแต่ว่ามาไ ป, ปพฤติปฏิบัติตอนอยู่ในป่านี่เหมือเกิดขึ้นไหมอ๋อไฟโทรตะนี่ก็เหมือนไฟไหม้ฟางมาไฟไหม้ป่าราคากีนาลราเป็นยังไงลักษณะของราคากีนาไฟราคะ มันก็เหมือนไฟที่สุมขอนไฟที่สุมขอนเนี่ยเวลาเดินโดนเชื้อเข้าโดนน้ามันท่มก็ลุกฮือเลยไฟราคะเมื่อมันเดินเชื้อเข้านี่มันใกล้เชื้อเข้ามันก็ไหมเลยเออเหมือนอย่างที่ว่าน้ำตาลใกล้มดอย่างนี้เออเพราะฉะนั้นไฟราคะเหมือนไฟสุมขอนแล้วไฟโมหะล่ะโมหะคือความหลงไปลักษณะอย่างไรมันจะเกิดเองหมด เวลาเห็นไฟไหม้ปา่าฟันไฟอะไรต่างๆนั้นมันมืดมองไม่เห็นทิศเหนือทิศใต้ไม่เห็นอะไรเลยมันมืดไปหมดอันนี้แหละคือไฟโมหะลักษณะอย่างนี้เออาคขีนาโทตักโมโทตัขีนาโมหคีนาเนี่ยมันเป็นไฟสามกองที่เผาไหม้จิตใจเรามานับพบนับชาติไม่ได้เพราะฉะนั้นในฐานะที่ชาตินี้เราเกิดมากิจโฉมนุตตะปีลาโพการได้กำเนิดเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยแหละพพเพกะตะบุ ญ, ญาตาชาติก่อนเราต้องสร้างมาดีจึงไม่ง่อยเปียเสียขาตาบอดบ้าใบหูหนวกตาพิการได้มาพบพุทศาสนาได้มาเสริมสร้างวาสนาบารมีโอ้โหควรจะภูมิใจในบุญในลาบของเราที่เราได้มาพบพุทธศาสนาและมาพบอย่างถูกต้องเซะด้วยในสำนักในวัดในครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องสซะด้วยไม่พาให้เราหลงทาง เพราะฉะนั้นเราจมาพยายามสังเกตพยายามดูพยายามรู้ว่าสำนักวัดสังฆทานเป็นอย่างไรจะหน่ายรูปเหรียญปอบรอบไสอะไรต่างหรือเปล่ามีกระถางน้ำมนต์พรมน้ำมนต์อะไรต่างหรือเปล่าก็พยายามสังเกตดูแม้แต่ไม่ได้พูดเพิ่งพูดเดี๋ยวนี้พูดเดี๋ยวนี้แหละก็พิจนารณาดูเพราะฉะนั้นเราเข้ามาในสำนักที่ถูกทางถูกตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนให้เรามาประพฤติปฏิบัติทํากันอย่างถูกต้องตามธรรมตามวินัยตามสาธรรมกรรมต่างๆของพระองค์สั้น เราควรปลื้มใจอันนี้นะ่ะอัตมาไม่ได้เปอร์เซ็นต์หรอกนะแต่พูดตามความจริงของจริงก็ต้องพูดไปตามความจริงสิมันร้อนก็ต้องพูดว่าร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนกินเกลือเข้าไปเป็นไงมั่งหวานหวานเต้าก็มุสาสิเต้าเค็มก็ต้องเค็มนี่เพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยสารธรรมคําสั่งสอนของพระองค์ท่านเนี่ยที่เราน่าว่าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันเนี่ยมันมากมาย มันมากมายหรือเกินแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เพราะฉะนั้นสาสนาธรรมคาสั่งสอนพระองค์ท่านแต่ละสำนักแต่ละสายสายไหนเนี่ยสายหลวงปู่มั่นสายไหนเนี่ยสายวัดปากน้ำสายไหนเนี่ยสายธรรมกายสายไหนเนี่ยสายวัดมหาธาตุสายไหนเนี่ยสายวัดท่าซุม สายไหนเนี่ยสายวัดสังฆทานเออแล้วเขาสอนว่ายังไงล่ะอ้าวเขาสอนพุทโธทธมฺโมสังโฆอ้าวสำนักนั้นก็สอนยุบหนอฟองหนอสำนักนั้นก็สัมมาลหลังจะอะไรก็ตามทีเถอะอ่าหลวงพ่อฤาษีหนึ่งดำพระาทรงต่า ง, งสอนน้มาพะตะน้มาพระทนระทน้ำมาโนมายิทิอะไรก็ตามทีเถอะแต่ละสายแต่สำนักนั้นก็เพื่อให้เรามีสติ เพราะฉะนั้นก็เหมือนการที่แต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยทามาหากินกันอะไรต่างๆงการก้าการขายขการอะไรต่างๆก็เพื่อสตางค์แต่นี่ก็เหมือนการการปฏิบัติเพื่อเพื่อมีสติถ้าหากว่าไม่มีสติแล้วผิดหมดสำนักไหนวัดไหนก็ผิดหมดถ้าไม่มีสติเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ขนาดนี้สถานที่นี้เนี่ยเรารู้ไหมเออเรารู้ไหมเรามีสติไหมนั่งอยู่นี่ใจเราไปที่ไหนนี่ เรารู้ไหมขณะนีออ้อุทางปาทัตลาเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสามตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจะปริยันตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเรารู้ไหมเรานั่งอยู่ในกิริยาบทใดเราอยู่ในกิริยาบทอย่างนี้แล้วจากนั้นเรารู้ไหมว่าใจเราคิดอะไรนี่ใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวหรือเปล่า โอ้ใจเอ๋ยใจทําไมไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเรื่องอะไรก็ไม่รู้ทำให้ได้แล้วเออมันว่าอย่างนั้นก็นั่งอยู่เนีื้อใจไม่ไปอยู่เนื้อตัวไปเรื่องอะไร ต, ราต่างๆก็มันถือว่าผิดทางเท่านั้นเพราะฉะนั้นแม่น้ําแต่ละสายแต่ละสายเนี่ยมีจุดหมดมีจุดที่สุดของแม่นม้ํางานสายวัด ปากน้ำก็ตามสายธรรมกายก็ตามสายวัดมหา่ายก็ตามสายวัด่าตุสุก็ตามสายวัดสังฆทานก็ตามสายหนองปาพงก็ตามสายลุงปูม่านอะไรต่างๆก็มีจุดมุ่งหมายทั้งนั้นคือที่สุดของทุกข์ที่สุดของทุกขคืออะไรเล่าที่สุดของทุกก็คืออมตะมหานิพพานอมตะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนิพพานคือความดับ ดับจากลายเล่าดับจากโลคลาคคินาโทตักกินาโมหกินาคือไวยสามกองนี่เองเป็นจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติของแต่ละมักแต่ละสายคราวนี้แม่น้ำแตละสายเนี่ยอต้นน้ําก็มาจากสถานที่ต่างๆกันแล้วก็มีจุดหมายที่เดียวกันคือท้องทะเลอย่างกระพังทั้งอประเทศไทยเราก็ถือว่าแม่น้ําโขงเนี่ยเป็นแม่น้ําที่เออไหลผ่านทางแผบ ถิ่นภาคอีสานคราวนี้แม่น้ำโขงเนี่ยต้นน้ํามาจากไหนก็มาจากเชือกเขาหิมลายเชือกเขาอัฟเรสตอัฟรสทางแถบถิ่นประเทศทิเบตเป็นต้นน้ําโขงก็ไหลผ่านห้าประเทศหกประเทศอคือประเทศทิเบตประเทศจีนประเทศเวียดนามประเทศพม่าประเทศไทยประเทศลาวประเทศเขมรแม่น้ําโขงนี้ก็ยาวสี่พันหกร้อย เก้าสิบสี่กิโลเมตรก็ลงแม่น้ํำของที่ประเทศเขมรแม่น้ําปิงวังยมน่านแม่น้ำพูแม่น้ําชีแม่น้ำตราสายตรสายก็ลงสู่ท้องทะเลเหมือนกันหมดคราวนี้แม่น้ําปิงแม่น้ําวังแม่น้ํายมแม่น้ํำน่านก็ไหลลงมาสู่ที่นั้นเขาเรียกว่าปากน้ําโผล่ปากน้ําโผลไปไมาก็กลายเป็นปากน้ําโพคือจังหวัดนครสวรรค์ก็เป็นแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็ไหลลงสู่ท้องทะเล แม่น้ําแฝงน้อยแม่น้ําแฝงใหญ่ต้นน้ําแม่น้ําแฝวใหญ่ก็มาจากต้นน้ําทิศกองขี้อําเภออุ้มผางจังหวัดตราไหลผ่านอำเภอสีสวัสดิ์นั่นมาอะไรต่างจาทั้งมาถึงเมืองการแล้วจากนั้นแม่น้ําแฝงน้อยก็ไหลามาจากอําเภอทองผาภูมิลําห้วยปีรักก็มาสุดที่หน้าเมืองการที่โอแปกปากน้ําแพร ก, ก็เป็นต้นแม่น้ําแม่กลอง ก็ไหลลงสู่ท้องทะเลเพราะฉะนั้นแม่น้ําแต่ละสายแต่ละสายเนี่ยเมื่อรวมกันมาแล้วลงสู่ท้องทะเลแล้วน้ําทะเลเป็นรสเดียวคือรสเค็มตั้งแต่ปูย่ย่าตายายเราต่างๆมาก็บอกว่าน้ำเกลือน้ําเค็มแล้วจะน้ามาทําเกลือก็ต้องวักเกลือนี่มันเค็มเพราะฉะนั้นองค์พระนัฏตมะพระเจ้าพระองค์จึงทรงตรัสว่าลักเขยยะอัตโนสาทุงรัวรรณังโลนะตังยาถา พึงรักษาความดีของตนไว้ประดุกเกลือรักษาความเค็มแต่ยไปใจเค็มไม่ได้นะการใจเค็มเดี๋ยวใจมันแคบเพื่อนไม่ครบซ <c oughs> อีกเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยให้พึงรักษาความดีของตนไว้ประดุกเกลือรักษาความเค็มของเพราะเพราะฉะนั้นศาสนาธรรมคงสอนของพระองค์ท่านเนี่ยจึงทันสมัยใหม่เสมอสว่างโลอโรโก แขงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเพราะฉะนั้นใจเรามันมืดอวิชาคือความไม่รู้มันปิดบังไว้แต่ว่าเราเป็นผู้ที่ฉลาดกูสร้างจิตตังอุปัณังโหติจิตเรามีความฉลาดมันมีความฉลาดอย่างไรเล่าไม่มีความฉลาดยังไงถ้าไม่มีความฉลาดก็ป่านนี้นอนแล้วสิหรือเป็นดิ้นไปเต้นอยู่ตามสถานที่ต่างๆแล้วสิไปกินเหล้าเมาทุลาแล้วสิ เออไปชนแก้วไปดิ้งไปดื่มอะไรต่างๆแล้วสินี่แหละเรามีความฉลาดเข้าใจไหมล่ะกูสร้งจิตตังอุปนังโหติจิตเรามัมีความฉลาดเมื่อมันมีความฉลาดมันก็รู้จักที่ว่าควรจะไปที่ไหนก็คนฉลาดก็ไม่ใช่คนโง่นี่มันไม่เหมือนหมูเหมือนงัวเหมือนควายเหมือนเป็ดเหมือนไก่เออควายเขาจงไปไหนก็ไม่รู้งัวเขาจงไปไหนก็ไม่รู้หมูก็จับบรรทุกสปรถไปเอาไปไหนก็ไม่รู้ ไก่มันเขาสายจับไปยตะข้องตะเข่งขึ้นรถไปเอาไปไหนก็ไม่รู้พกปงพกปลาเข า, าจับไปแล้วเขาจะเอาไปไหนก็ไม่รู้นี่แต่เรามันรู้ก็เหมือนยาสมากัเหมือนกันเนี่ยวันนี้เพราะรู้ทีเดียวแหมเมื่อไหร่จะถึงวันที่สิบห้าทีวิ้ยไปดูไปสิกทุกวันเออดูทุกวันเลยฮะเมื่อไหร่ถึงวันที่สิบห้าทีวะเมื่อไหร่ถึงที่สิบสามก็ทีวะพอวันที่สิบสามแล้วไอ้หาเม่ไรถึงวันที่สิบห้าทีทวะ ดูไปซึ่ทุกวันนี่มันในมุสาเนีพูดจริงๆนะดูไปซึ่ทุกวันเร่งมันเร่งมันเออเพราะฉะนั้นบอกน้องไว้บอกเฮ้ยบ่ายโมงนะออกเดินทางไว้อย่างนั้นเออนอนหลับต้อตื่นแต่ว่าก่อนนอนก็ดูว่าสังฆทานเออวันนี้อหลวงพ่อสนองท่านพูดถึงเรื่องต้นกิรสนามั่งต้นไม้สักมั่งอะไรต่างๆมั่งแล้วก็ว่าจะสร้างโรงพยาบาลต่อไปจะเป็นโรงพยาบาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเออเราก็ควังไป มันยิ่งใหญ่ในโลกยังไงวะอ้อไปไปมาเออจริงเว้ยเพราะว่าเวลานี้ยมันลืมไปซะแล้วแพทย์แผนโบราณปู่ย่าตายายบรรทบหรุดเร า, านั่นกันมานี่เพราะฉะนั้นท่านดำเนินขึ้นมาถึงเรื่องว่าพวกสมุนไพรต่างๆทั้งหลายแหละเมื่อตอนเย็นนี้ก็นั่งคุยกับท่านบอกที่พระเดศพระกุลพูดมาตอนสายเนี่ยผมได้ดูเรื่องโรงพยาบาล น, นั่นแพทย์แผนโบราณผมก็เห็นพิจนารณาว่าโรงพยาบาลเจ้าพญาอภัยภูเบศที่จังหวัดปัตตานี ท่านบอกโอ้ยนั่นมันนักมวยนอกเวทีไอ้เราที่โรงพยาบาลต่อยชิงแชมป์เลยท่านว่างานเออท่านจะคุยสิท่านว่าท่านโรงพยาบาลท่านรับแชมป์เลยว่างันผมไปดูแล้วตัวยาเขาอะไรต่างก็แค่คปวดหัวปวดท้องธรรมดาอะไรต่างยาหอมยาดมอนะไรต่างเออท่านว่าที่โรงพยาบาลเจ้าพยาภัยบูเบศที่จังหวัดปัตจินบุรีว่าอย่างนั้นนี่ท่านจะเล่าฟักางก็มาเล่าวัาวางนี้ปรากฏว่าเดีย๋ยวเขาจะยุ่อเอวเปล่าก็ไม่รู้เออเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านดําริขึ้นมาอย่างเนี้แล้วดํานดทําขึ้นมาอย่างเนี้เพราะฉะนั้น mm. ก็เลยได้พูดกับท่านว่าพระเดชพระคุณครับผมว่าโรงพยาบาลที่หมอกโกมลพัฒสร้างที่ประเทศอินเดียในครั้งนั้นที่เชิงเขาก็่จะกรุประเทศอินเดียนะ่ะโรงพยาบาลหมอกโกมาพัฒนนี่ผมว่าเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของโลกมั้งครับท่านบอกใช่แล้วเพราะมันสองพันกว่าปีมาแล้วนี่โรงพยาบาลแห่งแรกของโลกคือโรงพยาบาลของโกหมอโกมลพัฒ คราวนี้หมอกุมารพัฒน์เนี่ยตามหลักแล้วท่านเป็นลูกโสเพณีหมอกุมาพัฒเนี่ยเป็นลูกโสเพณีคือประเทศอินเดียเนี่ยหญิงงามเมืองหญิงโสเพณนครโสเภณีก็ถือเป็นผู้หญิงที่มีเกียรติแต่ว่านเรานี่เหยียดหยามยามเหยียดมากเลยถ้าโสเป็นโสเภณีผู SO e ้หญิงหากินแท้ผู้หญิงมันก็หากินทุกคนน่ะพระไม่ยังหากินเลยโอ้ยผู้หญิงหากินโอ้ยผู้หญิงหากินไอ้หาแล้วพระไม่หากินเหรอ เช้าก็ย่องยังย่องไปแล้วย่องยังย่องไปแล้วไปไหนล่าไปบินสบาดพูดมโก้สัหน่อยแท้ก็ไปหากินนั่นแหละแล้วก็ว่ามาผู้หญิงหากินถ้าผู้หญิงก็หากินทุกคนแม่มึงก็หากินพ่อมึงก็หากินด้วยแต่แม่เลยพ่อมึงก็หากินแล้วยจอแม่ผู้หญิงหากินผู้หญิงหากินรู้สึกมันจะยังไงไปสักหน่อยนะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้อหมอกุมาลพัฒน์นี่ท่านเป็นลูกผู้หญิงนครโสเพณี พูดเพลงา ม, ม น, นั่นครโสเภณีเออถ้าพูดได้มันลูกทุ่งลูกทงหน่อยกะลีนั่นแหละเออกะลีนั่นเองไม่ใช่ะไรพูดภาษาลูกทุ่งซะหน่อยเออเพราะฉะนั้นหมอโอมิลพัทเนี่ยตามประเพณีของโสเภณีเขาเออของประเทศอินเดียเขาได้รับการยกย่องมากถือว่าเป็นของเชิดหน้าชูตาของบ้านของเมืองของประเทศเลยหญิงนครโสเภณีต้องหญิงงามเท่านั้นแล้วต้องสื่อทอดะกูลด้วย เพราะฉะนั้นหญิงนครโสเพณีถ้าหากว่าเกิดพลาดพลั้งไปไม่ได้สวมถุงนอนามัยกินยาคุมกำเนิดแล้วก็เออเกิดขึ้นมาเขาก็เอาทิ้งถ้าเป็นผู้ชายก็เอาทิ้งถ้าหากวาเกิดมาเป็นผู้หญิงเขาก็เอาสืบทอดตระกูลต่อไปก็ปรากฏว่าหมอกบลพัฒน์ที่เกิดมาเป็นผู้ชายแม่ก็เลยไปทิ้งก็เลยปรากฏว่ามีผู้ออกไปเลี้ยงนี่ควายลูกสาวนั้น ก็ชื่อนางสริมา้องสาวของหมอกอมลพัฒก็ชื่อนางสริมาเป็นหญิงสวยสวยแค่ไหนก็พูดไม่ได้เพราะไม่เคยเห็นมันต้้งสองพันกว่าปีมาแล้วนี่เออรู้ต่ ว, ว่านางสริมาเป็นคนสวยคราวนี้หมอโกอมลพัฒเนี่ยก็ได้เลยไปเรียนวิชาแพทยแผนโบราณในธนมัตกรกศิลาเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ลูกหาที่ไปเรียนกันมากมายเนี่ย เมื่อเรียนกันแล้วตระยุกยาสมุนไพรต้นนั้นใบนี้หัวนั้นกิ่งนั้นเง้านั้นลูกนั้นอะไรต่างใช้เป็นยาอะไรเป็นยาอะไรเป็นยาลูกสมอใช้เป็นยาสมอพิเภกสมอดีงูเออใช้ทํายาอะไรนั้นอะไรต่างมาขอม่้าใช้ทํำยาอะไรเออเออเป็นอย่างนั้นก็เลยอ้าวถึงวาระสุดท้ายต่างคนต่างก็รู้แล้วว่าต้นนั้นเป็นยายาอย่างนั้นต้นใบนี่เป็นยาอย่างนี้ ย่าหนวดแมวยาตินกายาอะไรต่างใช้ทําอะไรนั่นอะไรต่างก็ให้เดินทางไปไปแต่ละคนแต่ละคนไปไปหาต้นใบอะไรต่างที่ไม่เป็นยาบ้างนี่ก็บรากฏลูกศิษย์แต่ละคนแต่ละคนกลับมาก็เอาใบนี่มาเอาใบนี่มาเอาเง้านั่นมาเอาลูกนี่มาอะไรต่างมาให้อาจารย์บอกอย่างนี้ทํายาไม่ได้เออปรากฏว่าหมอก็วารพัฒน์นี่ไปเที่ยวจนทั่วหมด ไปโน่นถึงป่าเมืองการทองผาภูมินั่นแหละ <g ül> ย่องยองไปดูทีที่วัดพุทธมณฑลนเรกาวาามีต้นอะไรที่เป็นยาไม่ได้มั่ง <g ül> ปรกากบว่าหมอกรภัทรกลับมือเปล่าไม่มีอะไรที่เป็นยาพมาอาจารย์ว่ออาอ้าวกมลภัทรทําไมไม่เห็นมีอะไรมาเลยล่ะ <g ül> เห็นข่าวว่าไปถึงทุ่งสมอวัดพุทธมณฑลนเรกาวาาทองผาภูมิการจังรีไม่ได้ไปอะไรมาเลยไม่เลยไม่ได้อะไรมามัองเลยเหรือไม่ได้ไอดด า, าจารย์ ทุกอย่างไม่ว่าอะไรเป็นยาหมดแม้กระทั่งขี้กระทั่งเยี่ยวก็เป็นยาทราบไหมว่าขี้กับเยี่ยวนี่ก็เป็นยาแก้ ง, งูกัดเพราะนั้นพิสษุเดินทางเข้าไปในป่าเข้าไปอยู่ในป่าดิดงเนี่ยถ้าถูกงูพิษกัดพระองค์ก็ทรงให้ยามหาวิกัดไ้แล้วเพราะฉะนั้นสมัยที่จะมาเดินทุดงเข้าป่าเข้าดงอะไรต่างนี่หนักๆย ม, ง ย, มงยามองยาปวดหัวปวดท้องเฟี้ยงทิ้งหมด เอาตายลูกเดี่ยวนั่งกรรมาฐานตายนี่งั้นอยู่ยาแดงยาแดงยาทิงเจอสําหรับทาเกิดปวดงอแผลทิ้งหมดเฟิ้งทิ้งหมดไม่เอาเพราะอยู่คุณปู่คูบาอาจารย์ท่านมาตรงนั้นท่านสู้ตายตายเป็นตายเพราะพิพันมาเลยตายพลิพันมาเลยตายนี่เพราะฉะนั้นพระองค์ทรงตรัสวิญญามาหาวิกัตถ้าพิสุถูกงูพิษกัดต้องวิ่งไปส่พาไปหาเสยลุ่มเหรอเออ นี่เพราะฉะนั้นถ้าถูกงูพิษกัดพระองค์ทรงอนุญาตไว้ไม่ต้องรับประเคีนก็ฉันได้ตามหลักเนี่ยของที่ไม่ประเคียนนี่ฉันไม่ได้มีที่ไม่ประเคียนได้ก็คือ น, น้ําเปล่าคราวนี้น้ําเนี่ยถ้าเอาผสมยาวไทยก็ไม่ได้แล้วสมัยก่อนนี่บ้านเรานี่ที่บ้านของอาตมาเองนี่แหละพ่อจะปลูกมะลิไว้เวลานั่นก็เอาขันใส่น้ําฝนแล้วจากนั้นกเอาดอกมะลิโรยคราวนี้ถ้าว่าไม่ประเคีนพระฉันก็ไม่ได้และเป็นอ ბ ัติ พเพราเจือามิตดผสมยาอูไทยก็ไม่ได้เจืออมิดอย่างน้ําชานี่็ต้องประเคนเพราะว่ามันเจืออมิตดเว้นไปในน้าเปล่าเท่านั้นที่มันจะประเคน้นจะฉันได้เพราะฉะนั้นทรงอนุ ญ, ญาตไม้จิ้มฟันไม่ต้องประเขนน้นําเปล่าไม่ต้องประเขนเออแต่ถ้าผสมยาอูไทยซะแล้วหรือลอยดอกมะลิซะแล้วก็ฉันไม่ได้ต้องบัะเข้นอย่างนี้แต่ว่าถ้าหาวพิุถูกงูกัดไม่ต้องประเคนฉันได้มีอะไรบ้าง ก็มูดคู่เท่าดินมูดก็คืออะไรแล้วมูดก็คือเยี่ยวคู่ก็คือขี้นี่เท่าดินขี้เท่าแล้วก็ดินสี่อย่างนี้ผสมกันเข้าแล้วก็กรอกเข้าไปหรือตีกินเข้าไปมันจะสำลักจะอาเจียนพิษงูออกมานี่ยามหาวิจัดสี่พระเจ้าทรงอนุญาตไว้สําหรับพิษุถูกงูกัดเพราะฉะนั้นพวกเราจะยอมเมื่อถูกงูกัดเนี่ยจะยอมกินขี้ไหมล่ะหรือจะยอมตายเอ้อ นี่ผสมกันแล้วมันจะประเค็นก็ฉันได้นี่เรียกว่ายามหาวิกฤตสี่เพราะฉะนั้นหมอโกมะลพัดแกกลับมาก็ได้กลับมามือเปล่าไม่มีอะไรท่อาจารย์ที่จะทํายาไม่ได้ไม่มีผมคนเรียกเอาทำยาได้ยาแก้หืดไะยาแก้หืดต้องใช้ผมคนมาเผาควายกระย้ายองไวารู้จักย่าหยองไฟกันไหมเนี่ยยกมือขึ้นใครรู้จักญ้ายองไวมั้งเนะรู้จักญ้ายองไวมยไหมไม่มีเลยเหรอไม่มีใครรู้จักญ่ายองไวเลยเหรอ เออถ้าครัวตามม่านนอกสมัยก่อนไงอยากย่า่ที่บรังคาน่ะที่เป็นห้อยเหมือนอย่างไอ่อยาย่า่อย่างนี้นดำดำดำดำขี่เขม่าควายดำดำนั่นแหละหญ้ายองไฟเอออย่างนี้พาพูดงี้อ๋อเลยเนอะรู้เลยเออที่เป็นห้อยๆดำดๆดำดำหญ้ายองไฟนะนั่นแหละเอามาผสมเออผู้หญิงเป็นแผลมดลูกอะไรต่างๆในแผลทีกขาดเวลาคลอดลูกเนี่ยก็เอาญ่ายองไฟเนี่ยมาผสมจะอะไรม้องไม่บอกอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ค่าครู ก็มีค่าครูกันนี่แม่ก็ยาย่องไฟยายองไฟมาสมานปากแผ่ช่องคลอดยายองไฟเนี่ยคุณเแม่จะไม่บอกว่าอะไรม้างนะไม่บอกแมว เ, เหยื่อไม่ได้ค่าครูเออเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นยาทั้งหมดเออถ้าเป็นหืดนี่ก็เส้นผมมาสะตุเข้ามาเผาเข้าเพราะฉะนั้นขนเล็บฟันหนังนี่เป็นยาได้หมดเพราะฉะนั้นหมอกุมารพันธ์เลยสอบได้ ครานี้เมื่อสอบได้แล้วก็ท่านเลยเป็นหมอใหญ่เป็นแพทย์ใหญ่ของประเทศอินเดียครานี้เมื่องค์พระสันตสมาพระเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นประกาศสารรทำคำต่างสอนเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในครั้งกันนั้นพระองค์ทรงประทับอยู่ที่เขาคิจกูดเพราะฉะนั้นหมอกุมรพัฒน์ก็เลยสร้างโรงพยาบาลที่เชิงเขาคิจกูดพระองค์ทรง ถ, ถูกเห็นเทวทัตผล ก, ก้อนหินเออ โดนพระบาทข้อเลือดหมอโกเบลพัฒ์ก็นิมนต์พระองค์มาโรงพยาบาลแล้วก็มาเจาะเอาเลือดออกแล้วก็ประกอบโอสดประกอบแผลไอ้ยารักษาแผลให้แต่คราวนี้เหตุ ป, ปัจโยทำไมเน้อเทวทัตเนี่จึงจองล้างกองผ่านพทธเจ้าทั้งพทธเจ้านี่ก็มีเมตตาเหมือนอย่างพ่อสนองก็ตตาบุญโยที่ท่านมีเมตตาไม่ว่าพระรมยตมหานิกาย อุบาสกอุบาสิกามาท่านก็มีความเมตตาท่านจะสร้างโรงพยาบาลขยายที่กว้างไปจะได้มีที่จอดรถจอดลาจะได้มีห้องน้ําห้องส้ว ม, ส ะ, ว ส, ะม ส, ส, ส, สะดวกสบายจะได้มีเสนาสนะที่อยู่อาศัยสะดวกสบายเวลามาพืชปฏิบัติทำกันถ้าจะเกิดป่วยไข้ปวดหัวตัวร้อนหรือจําเป็นจะต้องเข้าเฝือกรักษาบาดแผลอ้าก็มีโรงพยาบาลในวัดเราเองเนี่ยก็เพราะท่านมีเมตต า, พ ร, าะะพระะองค์พระนันตธรมมาพระเจ้าพระองค์ก็มีเมตต า, ตาแต่ทําไมนาะ เทวทัตมือนี่จ้องจองร้องจองผานเนี่ยอาตมากันเหมือนกันเนี่ยอาตมาถ้าจะจองร้างจองผานกันเนี่ยเอยกูชักมาวัตถังทานบ่อยเข้าสัชพการบ่อยเข้ากูก็เป็นเถระผู้ใหญ่แล้วเอ้แล้วกูก็ลูกสุพรรณเหมือนกันแต่ว่าครึ่งตัวทพ่อสนองลูกสุพรรณเด็มตัวเอไอหากูก็อาวุโส ก, ก็เผานี่ว่าแลวัตถังทานท่านพ่อสนองสิ้นนี่กูเป็นนูพพานสวมลอยเลยคงจะได้มั้งคิดอยู่เหมือนกันนะเนี่ย เออคิดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเออเขาเรียกว่าชุกมือเปิบไงเออเพราะฉะนั้นไอ้วมมักง่ายเออชอบชุกมือเปิบเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยมันมีเหตุเหตุปัจจยโยเหตุมันมีทําไมละ่ะเทวทัตจิงจองล้างจองผ่านคิดจะทําลายพระเจ้าหลายอย่างหลายอุบายหลายวิธีเพราะว่ามันมีอตีเตกาเลนานมาแล้ว เออพระเจ้าเราหรือทิทธาและจะมาหรือพระเจ้าเราเนี่ยกะเทวทัตหรือชู่ชกคนเดียวกันเคยเป็นพี him, well, ่เป็นน้องกันมาในอดีตคราวนี right. ้พระเจ้าเราหรือเจ้าชายสิทานในครั้งอดีตนั้นเออมโหน้องชายคือเทวทัตหรือจูชกเนี่ยก็ก้อนหินเนี่ยทุบหัวถึงตายเลยเพราะฉะนั้นชาตินี้เนี่ยมาในปัจจุบันชาติเนี่ยเทวทัตก็เลยคลิปจองล่างจองผ่านพระเจ้าแล้วก็ผลักก้อนหินมาเพื่อทับให้ตาย แต่ด้วยพุทธานุภาพพุทธบา ร, รมีบา ร, รมีของพระองค์ก็เลยดอนนักแข่งเพียงข้อเลือดเท่านั้นเนี่ยมันเรื่องมันมีมันไม่ใช่ดอยลอยทรงเดชหรอกเพราะฉะเรื่องกรรมมันเป็นเรื่องใหญ่พระองค์จึงต้องตัดว่ากรรมมุนาวะตตีโลโก้ตัดโลกต้องเป็นไปตามกรรมเพราะฉะนั้นหมอกมลพัชเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรียกว่าเป็นหมอเทวดาก็ได้มีความเชี่ยวชาญมีความเกร่งกาศมากในการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บปต่างๆ ท่านสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาได้พูดกับหลวงพ่อสนองแล้วว่าผมว่าโรงพยาบาลหมอกมลพิษนี่เป็นโรงพยาบาลแรกของโลกหรือมั้งครับท่านบอกว่าใช่แล้วท่านว่าอย่างนั้นจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่ก็เราสนิทฐานว่าอย่างนั้นเออเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยมีพิสูจองค์หนึ่งปวดทีสะปวดหัวปวดหัวปวดมากปวดมากเออยาทําใจก็ไม่หายยาประสาแนลเลตก็ไม่หาย เอ้มาสองพันกว่าปีนี่ภาษาโนแลนด์ทำใจมีอย่างเนี่ยเออปรากฏว่าหมอกวัลพัฒน์ประกอบยาขนาดไหนก็ไม่หายขนาดไหนก็ไม่หายขนาดไหนก็ไม่หายหมอก็วัลพัฒน์ก็พิจารณาว่าสงสัยว่าในสมองเนี่ยในหัวเนี่ยคงจะต้องมีตัวพยาธิเออเพราะฉะนั้นพวกกินลาบกินก้อยกินดิบๆเต็มแบบเลงต่างเนี่ยระวังให้ดีพยาธิตัวตื่พยาธิใบไม้พยาธิปากขออะไรต่าง หมอก็ามาพักก็เลยพิจารณาด้วยความช่ำชองว่าในทิษะของพระศุรูปเนี่ยคงจะต้องมีพยาธิปากขอมีพยาธิอะไรต่างๆเข้าไปอยู่ในนั้นก็เลยขอพระเจ้าขออนุญาตพระเจ้ า, จ, าจะทําการผ่านี่ทําการผ่าสมองผ่าหัวผ่าสมองพระเจ้าก็ทรงอนุญาตพระเจ้าท่านรู้นี่ท่านจะพูดหรือไม่พูดนะพระเจ้าท่านรู้ท่านเป็นสัพพัญญูรู้แจ้งโลก ถ้านก็พิจารณาแล้วก็เลยทรงอนุญาตให้หมอโกโมรารพัฒผ่าได้หมอโกโมรารพัฒก็เลยโกนผมทิสุนั่นให้เกลี้ยงแล้วจากนั้นก็เอาเนยโปะแล้วก็ผสมยาอะไรต่างๆเนยโปะออจากนั้นก็ค่อยเออผา่าหนังกระโหลกศีรษะออกแล้วผ่ากระโหลกแล้วจากนั้นก็เห็นตัวหนอนเลยกระลุกกระลุกกระลุกกระลุกกระลุกอยู่ในสมองชีบออกมา และจะนักรักษาบาดแผลพิษุขก็หายป่วยเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยประเทศจีนได้อ่านในสามก๊กศึกษาในเรื่องสามก๊กเราจะ อ, อธิษฐนศาสนาอย่างเดียวก็ไม่ได้เราต้องอ่านหนังสือให้รอบตัวเพราะฉะนั้นประเทศจีนเนี่ยในเรื่องสามก๊กมีก๊กโจกโฉกุนกวนกเล่าปีเนี่ยปรากฏว่าก๊กโจโฉเนี่ย โจโฉนี่เป็นคนที่มีเล่เหลี่ยมมากไม่ไว้ใจใครเพราะฉะนั้นโจโฉนี่ไม่ยอมให้โลกทรยศกูต้องทรยศต่อมึงก่อนกูต้องฆ่ามึงก่อนนั่แหละเออไม่ยอมให้ใครฆ่าก่อนกูต้องฆ่ามึงก่อนไม่ไว้ใจใครฆ่าทันทีเพราะฉะนั้นโจโฉเนี่ยเออแม่งแต่แม่งแต่โจโฉเนี่ยปวดหัวมากโจโฉปวดหัวมาก ก็เลยรู้ว่าหมอหูโตเนี่ยหมอหูโตหมอเทวดาเนี่ยเาเรียกกันหมอเทวดาเป็นผู้ที่เก่งกลาดมากเออคราวนี้หมอหูโตเนี่ยมีมติอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าหากว่าใครจะให้รักษาต้องไปหาที่สำนักไปหาที่บ้านถึงจะรักษาให้แต่จะให้เชิญไปยังไงไม่เอาไม่ไปรักษา ถ้าหากว่านั้นจะต้องมารักษาที่บ้านแกที่สำนักของแกครา้นี้ครั้นี้โจโฉเนี่ยกําลังมีอํานาจเออในแผ่นดินมีอํานาจในแผ่นดินหมอหูโตจะไม่ไปก็ไม่ได้ตามหลักแล้วจะต้องมารักษาที่บ้านหมอหูโตจะไม่ไปก็ไม่ได้เพราะกลัวก็เลยต้องไปไปรักษาให้อ้าวกรหายปวดหัวโจโฉก็กลับมาไอ้หมอหูโตก็กลับมาบ้านถ้าพนธุ์โจโฉก็ปวดหัวอีกแล้ เป็นโรคเส้นประสาทปวดหัวอีกอก็ไปรักษาอีกไปไปม า, มาอยู่อย่างนี้ไปไปม า, มานักโจโฉก็เลยเฮ้ยไอหมอกู้โตมึงจะไปไหนแนละอยู่กับกูนี่แหละตัวหมอฮู้โตก็เลยต้องหอบจนหลับกำลาไปไปอยู่ในสำนักของโจโฉก็เลยปรากฏว่าได้พิจารณาแล้วว่าอยู่ยาแต่ลขนานแต่ละอย่างนี่มันไม่ยอมหายนะเออ สงสัยว่าในสมองโจโฉนี่ต้องมีอะไรเหมือนอย่างที่หมอโกมาลพัฒพิจารณาพระพิสุรูปนั้นหมอหูตอก็เลยบอกกับโจโฉว่าจะผ่าสมองจะผ่าหัวโจโฉพอได้ยินขนั้นไอ้หาเนี่มึงจะฆ่ากูเหรอเพราะไม่ไว้ใจใครอยู่แล้วอ่ะกูต้องฆ่ามึงก่อนก่อนมึงจะฆ่า ก, กูไอ้หาเนี่ยเขาส่งมึงมาฆ่ากูเหรอมันเป็นไปได้ยังไงตั้งแต่อากงอามาอากงอา กูอะไรต่างๆไม่เคยมีใครพูดกันเลยเรื่องผ่าหัวมันมีที่ไหนกันล่ะ เ, ออเพราะฉะนั้นมึงจะฆ่า ก, เกูเหรอโจอชอกรอสั่งตัดหัวหมอหูโตะก่อนที่หมอหูโตะจะตายนี่ก็มอบสําหรับตําราให้พวกผู้คุมพวกอะไรต่างๆก็ไม่มีใครกล้ารับกลัวตายตามตออหมอหูโตะเหมือนกันแต่ก็มีผู้ที่สามารถนั่นออกมาได้เพราะฉะนั้นตาําราขวางเข็มนี่ไงตำลาแม่ตาราหวางเข็มเนี่ยก็เลยเป็นตําราที่หมอหูโตะมอบให้ที่มีผู้รับไว้ เพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยหมอหูโตจะผ่าหัวโตโถแต่ไม่ทันได้ผ่าก็หัวตัวเองขาดซะก่อนเพราะฉะนั้นประเทศจีนเนี่ยกับประเทศอินเดียเนี่ยยิ่งใหญ่มากด้านการแพทย์ด้านการอะไรต่างๆก็ตามทีเถอะเพราะฉะนั้นการผ่าตัดสมองเนี่ยประเทศอินเดียกก่อนเมื่อสองพันกว่าปีมาที่หมออมรพัฒน์ผ่าทิสสาพิสุ แต่หมอภูโต่เนี่ยหลังมาจากพันกว่าปีเพราะเรื่องสามก๊กนั่งแค่พันกว่าปีก็ปรากฏว่าไม่ทันได้ผ่าหัวจอโฉมหมอภูโตอก็คอขาดเพราะฉะนั้นประเทศอินเดียก็เป็นประเทศแรกที่ผ่าสมองก่อนในโลกนั้นที่กล่าวให้ขวังนี้คราวนี้หมอโกมาละพักเนี่ยมีน้องสาวชื่อนางสตรีมานางสตรีมานี่เป็นคนงามมากสวยมากสวยมา ก, มากแค่ไหนก็ไม่รู้เพราะไม่เคยเห็น ในทีวีก็ไม่เคยได้ดูอย่างอัพสลาเนี่สวยมากสวยมากเราเคยได้ดูมาแล้วพรทิพย์พวกอะไรต่างเราก็เคยได้เห็นในหนังสือพิมพ์เคยเห็นในโทอทัศน์อัสลาเคยเห็นตัวจริงมาแล้วเออแต่ว่านางสตรีมานี่สวยมากสวยขนาดไหนก็ไม่รู้ถือว่าเป็นดาราเด่นของเมืองอินเดียเลยแหละและค่าตัวแก่คืนหนึ่งพวกที่จะแกจะนอนด้วยก็ต้องเจ้าเมืองเท่านั้นพวกรัฐรมนตรีกระทรวงต่างๆเท่านั้นพวกธรรมดาธรรมดาไม่มีสิทธิ์เออคืนหนึ่งก็ สี่พันมหาตะปนะอะไรนี่แหละก็คืนหนึ่งอ่ะออนอนกับนางสีมาค้านี้ปรากฏว่านางสีมาเนี่ยมีความเลื่อมใสในพระเจ้าอา่นิมนต์ให้พระเจ้าเนี่ยจัดพระไปบินสบัด ท, ที่บ้านตัวเองตัวเองใส่บาตรวันละแปดองค์แปดองค์ทุกวันถึงจะเป็นโสเภณีก็จริงแต่ว่ามีจิตใจเลื่อมใสในพระศาสนาเลื่อมใสพระเจ้านี่มนต ให้พระเจ้าเนี่ยจัดพระมาพระโหน ก, ก็จัดพระมาบินสบาทวันละแปดรูปทุกวันค้าน้คขายนางสติมาเนี่ยที่สวยเป็นที่เรื่องลือเนี่ยก็มีพระหนุมต่างถิ่นมาสำนักว่าสังฆทานก็โอ้โหแม่นั่นสวยที่สุดเลยในวัดสังฆทานเออถ้าก็อยากให้เห็นเลยเออธรรมดาพระหนุมก็อยากหเห็นคนงามอยู่คนสวยอยู่แล้ว ก็เลยได้รับจัดไปบินทบาดบ้านนางสตรมาพระเออเลยตอนใล้คืนแม่นางสตรมากินให้ส้มตำเข้าไปทายท้องไม่มีตาโหลเลยทายเอาทายเอาหน้ารีตาโหลเลยเออก็เลยให้สาวใช้เนี่ยให้พวกลูกน้องบริวารประคองมาใส่บาดพิสูนุ่มผู้นี้ก็เห็นข้าว โอ้โหขนาดตาโหลขนาดป่วยยังขนาดนี้เฉลี่ยถ้าไม่ไม่ป่วยไม่ตาโหลนี่จะสวยขนาดไหนเท่าออนั้นจิตตกเลยจิดตกกลับมาก็นอนสตรีมาสตรีมาขําครวนเออข้ามคร ว, วนแต่นางสตรีมาคนสวยขนาดว่านางป่วยได้แท้เออประกอบว่าไม่ยอมถันข้าว นอนคุ้มโปงสตริมาคนสวยสริมาคนสวยร้อนลุ่มไปหมดควายนางสริมานี้นก็บังเอิญตายเออตายเลยตายพระเจ้าก็เลยสั่งพระเจ้าพระแต่เสนที่โกรสนว่านางสริมาเนี่ยอย่าเพิ่งเผานะให้ไปไว้ป่าช้าผีดิบก่อนเออไปเจ็ดวัน อ, อพระองค์ก็ส่งชวนพระทั้งหลายที่ในวัดไปไปหานางสิีมาคนสวยกันเขาไม่รู้นี่พวกพระต่างก็ไม่รู้โอ้โหพระองค์ที่นอนสิีมาคนสวยปลุกพวดขันธ์ดีดดใจจะไปดูนางสิมาคนสวยเออพาไปถึงป่าชา้าปุ๊บอ้าวเขาก็ปิดบังไว้ไม่เห็นศพนางสิมาที่ทิ้งไว้ในป่าชา้าอ้าว พ, พระเจ้าก็ให้พระเจ้าประเศษที่โกศลประกาศขายนางสิรีมาเลย อ้าวเจ้าข่าเอ้ยนางสตรีมาคนสวยใครต้องการบ้างยกขายให้ทั้งตัวเลยห้าพันบาทยกตัวอย่างนะใครต้องการบ้างเงียบอ้าวนางสรีมาคนสวยใครต้องการบ้างลดลงมา <c oughs> พระเจ้ากายลดลงมาจากห้าพันบาทสี่พันบาทเรื่อยมาโอโ้ก็ขึ้นระึงถึงหนอนยุบยับยุบยับไปยั้ไงต่างๆตั้งเจ็ดวันแล้ว ประกอบว่าประกอบว่ายังไงละเอาบาทหนึ่งก็ไม่มีใครเอาเงียบหมดอา้าวพราะฉนั้นอ้ายกใครเลยนางสตรีมาคนสวยทีต้องการบ้างยกใครเลยเงียบไม่มีใครเอาก็ผู้คนก็กลับอไปหมดพระเจ้าก็เลยพาพระเข้าไปดูถอยของพี่ตรงนี้ก็นึกว่าจะได้ไปเจอนางสตรีมาจริงก็ไปเจอจริงว่ามาเห็นก็ูไม่เอาอแล้วเออไม่มีลิ้นจุกปากตาถ ล, ลุเลยหนอก็หยุบหยับหยุบหยับหยุบห ย, ยับไปหมดนี่แหละนางสริมาคนสวยน้องสาวของ หมอกมลพัทและนางสถรมาคมสวยนี่แกเป็นโสเปนีเป็นกะหรี่กัจริงนะแต่แกเป็นสมาธิตรีนับถือพุทธศาสนานี่แกมีภูตทางสระนงังกระฉามิธรรมังสระนงังกระฉามิสังขังสระนงังกระฉามิและก็สตังด้วยเออแกก็ทําบุญเออแกก็ทําบุญไร่บาทเออเพราะว่าข้าวปาอาหารก็ต้องใช้สตังซื้อใช่ไหมล่ะ เออแกขายตัวแล้วก็ได้ตังค์มาแกก็ามาใส่บาตรมาซื้ออาหารใส่บาตรพระวันละแปดองค์แปดองค์แล้วก็มีความศรัทธาในพุทธศาสนาเชื่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในบาปในบุญต่างๆแกได้เป็นโสดาบันบุคคลนะ่ะเออจิตแกออกจากร่างแล้วก็ไปสู่สวรรค์เกิดไม่เกินเจ็ชาติเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นี่แหละสิ่งต่างๆทั้งร้ายทั้งปวงในโลกนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นของอนิจจังไม่เที่ยงใครจะไป เถียงท่านได้ที่พระเจ้าสันตตารู้ของเก่าเพราะฉะนั้นของเก่านี่แหละมันทันสมัยใครปฏิเสธเมื่อไรทองคําอ่ะใครปฏิเสธบ้างเพชรพลอยใครปฏิเสธบ้างเออใครปฏิเสธบ้างของูเห่านี่มันกัดคนไม่ตายมีใครกล้าปฏิเสธบ้างอย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่แหละของเก่าธรรมะเป็นของเก่าแต่ว่ามันทันสมัยไม่ล้าสมัยเพราะฉะนั้นเมื่อไปอยู่กับเจ้าคุณพระโพธิญาณเถระหรือหลวงพ่อชาเนี่ย ท่านว่าแต่ละศาสตร์แต่ละศาสตร์ในโลกนี้ยเป็นศาสตร์ขี้เถอร์ท่านว่าอย่างนั้นแต่ละศาสตร์แต่ละศาสตร์ในโลกเนี้ยเป็นศาสตร์ขี้เถอร์ไม่เหมือนพุทธศาสตร์ท่านว่าอย่างนั้นมหาวิทยาัยศาสตร์มหาวิทยาธรรมศาสตร์หรือตรัสศาสตร์ตรัสศาสตร์มหาวิทยาเกษตรศาสตร์อะไรต่างหรือสารพัดสารพัดศาสตรนั่นแหละเออแต่ละศาสตร์ตรละศาสตร์ในโลกนี้อาศัยส่งสายศาสตร์อะไรต่าง หลวงพ่อชาเขาบอกเป็นศาสตร์ที่เทอเอ๊ะมันที่เทอร์ยังไงวะท่านบอกว่าไม่เหมือนพุทธศาสตร์เออพุทธศาสตร์เนี่ยแหลมไม่แหลมเนี่ยคมด้วยนี่อัตมาได้ยินสับสนเลยท่านเทศว่าพุทธศาสตร์แตนศาสตร์เนี่ยถ้าหากว่าทิ้งพุทธศาสตร์ซะแล้วหมดทางเลยเพราะนั้นจะแหมหลงตนหลงตัวฉันจบธรรมศาสตร์มานะ ฉันจบมเกษตรศาสตร์มานะแต่ถ้าลืมพุทธศาสตร์แล้วมืดเลยท่านว่าตรัสศาสตร์ตรัสศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ขี้เธอไมื่เหมือนพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์นี่เป็นศาสตร์ที่คมเป็นศาสตร์ที่แหลมมันแหลมยังไงล่ะก็อวิชางอ่ะอวิชชาคือความไม่รู้แต่พ <statistic on Pre> no <o ultimate grow> ุทธศาสตร์นี Now, ่มันแทงทะลุได้เออาอวิชชาความไม่รู้มันขวางทางพระนิพพานนี่ ทำให้เราเวียนไหวาาตายเกิดทําให้เราร้องห่มร้องไห้นี่เพราะฉะนั้นอวิชาคือความไม่รู้เนี่ยก็อาศัยพุทธศาสตร์เนี่ยแทงทะลุนี่แล้วก็อย่างนั้นตัดพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ตัดแต่ละศาสตรแต่ศาสตร์เป็นศาสตรต่อเท่าไหร่อย่างนั้นเออทุกศาสตร์ต้เป็นศาสตรต่อพระเรียนจบธรรมศาสาตร์แล้วมันต้องต่อแล้วเชื่อไหมละ่ะเออพระเรียนจบเกษตรศาสตร์แล้วมันก็เรียนต่อแล้ว ต่อหางานหาทำรายการหางานเขาทำบางอยา่างต่อไปอีกแล้วเออไอหาจริงท่านเวยทุกศาสตร์ที่เป็นศาสตร์ต่อไม่ใช่ศาสตร์ตัดนี่ได้ยินคัทมาอย่างนี้เคยได้ยินใครพูดมั้งเว้ยล่ะคุณเคยได้ยินใครพูดไห ม, ไมเพิ่งได้ยินวันนี้เหรอโอ้โหนี่เป็นคนทันสมัยเออคุณเคยได้ยินบ้างไครได้ยินบ้งางศาสตร์ที่มาพูดนี่เลยอย่างงี้เครเคยได้ยินบ้างยกเบอขึ้นมีไหมนี่แหละหลวงพ่อชาที่อยู่กับท่านมา ท่านบอกว่าทุกศาสตร์เนี่ยถ้าไม่ขึ้นกับพุทธศาสตร์แล้วหมดเลยปิดทางตัวเองหมดจะไปหลงว่าศาสตร์นั้นศาสตร์นี้ทันสมัยใหม่เสมอไม่ใช่พุทธศาสตร์เนี่ยทันสมัยใหม่เสมอเออเพราะว่าพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ตัดนอกนั้นเป็นศาสตร์ต่อแต่ท่านพูดนี่วุยว้ยอย่างนั้นเลยพระชาดเพราะนั้นวุยนอกนั้นเป็นศาสตร์ต่อว้ยไม่จะศาสตร์ตัดด้วยพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ตัดด้วยนี่พระชาจะออกวุ้ยวุ้ยเพาท่านก็แบบลูกทุ่งเหมือนกันน่ะ เาะน้นเราก็พิจาราที่โอปนิกน้องเข้ามาเนี่ยที่ฟังอาตมาพูดเนี่ยลืมตัวกันมังเปล่าเนี่ยลืมตัวมั้งเปล่าว่าอยู่ในกิจบทใดเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าการปฏิบัติไม่ใช่ต้องนั่งหลับตาขัดสมาธิแต้หรือพักเพียบอะไรต่างถือเป็นการปฏิบัติต้องนั่งหลับตาที่มีการปฏิบัตินี่วัดสังนทานหรือเป็นวัดปฏิบัติวัดธรรมกายหรือเป็นวัดปฏิบัติวัดปากน้ําหรือเป็นวัดปฏิบัตินี่ วัดหนองป่าพงหรือเป็นวัดปริบัติวัดหมาท่าหรือเป็นวัดปริบัติวัดท่าทงหรือเป็นวัดปริบัติวัดปริบัติอยู่ที่นี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจที่ใจนี่เป็นเป็นวัดเพราะฉะนั้นในหลวงเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปกราบหลวงพ่อควันที่วัดป่าอุดมสมพรอำเภอพระนานท์ชมจังหวัดสกลนครเมื่อพอสวันที่เท่าไหร่จําไม่ได้พอสต้องบายวัสหกเดือนตุลาไปกราบในหลวงก็ทรง กล่าวกับหลวงปู่ฟั่นว่าพระคุณท่านอาจารย์ไม่มีเวลาเลยอยากจะไปวัดก็ไม่มีเวลาวัดบวรก็ไกลวัดนนกับไกลวัดนี้ก็ไกลไม่มีเวลาหลวงปู่ฟั่นบอกว่าถวายพรมหาปพิสการเข้าวัดนั้นไม่ใช่เข้าวัดบวรเออไม่ใช่เข้าวัดนนวัดนี้ไม่ใช่เข้าวัดสังฆทานเข้าวัดนี้เออเข้าวัดนี้เข้าได้ตลอดเวลามีสติความลึกได้สัมมาจรายาความรู้ตัวเข้าวัด เออกวันอยู่ตลอเวลาตมาเนี่ยนั่งมองเนี่ยจักมากะมองเนี่ยเอ๊ะคนไหนสวยเมื่อว่าคนไหนหน้าตาอ ย, ยังพอใช้ได้เมื่อวาอะไรต่างๆก็ดูคนไหนรวยเมื่อวาเออเมื่อไปที่พุนทธมณฑลก็ถามว่าเอา๊ะหลวงพ่อหลวงพ่อไปจำภรษาประเทศอเมริกาไปจำราษาบ่านประเทศหลวงพ่อรู้ภาษาก็เลยพูดภาษาเป็นทำไม ย, ยังไม่เป็นล่ะเออพอเห็นคนไหนที่สวยนอยว่อยู่แฮปมันนี่อายก็เลยอยู่เอ have money, เอโนแฮปมันนี่อัตมากันโนแล้วอยู่ทำไมเราไม่ไหล เออถ้ามีตังฉันก็รักแล้วไม่มีตังฉันก็ไม่รักว่าไงแล้วเออเพราะฉะนั้นเพลงมันยังมีว่าไม่รู้เป็นอย่างไรไม่รู้เป็นอย่างไรชอบคนมีตั้งเรื่อว่าอย่างนี้เออจริงมันโวยแล้วก็เพลงอีกเพลงมันกว่าเงินน้ามีไหมเงินน้ามีไหมเออเข้าท่ามันร้อเข้าท่าเอ้หาเรื่องใหญ่ใจความของโลกเลยเออมันร้องเข้ า, าท่าเนี่ยเพราะฉะนั้นอยู่กับพ่อช า, ามา พรตอนเย็นทั้งประเทศพรตอนค่ำอ่ะนะทั้งประเทศแม่เมื่อเช้านี่โวยเนี่ยพระชาเอกลักษณ์ท่านโวยเมื่อเช้านี่โวยผมไปบินธบาตบ้านเกาะบ้านเกาะก็เป็นบ้านเกิดท่านแหละเมื่อเช้านี่เมื่อเช้านี่โวยผมไปบินธบาติบ้านเกาะได้คว่งเพลงพระเจ้าญาติโยมมุสลาไม่ว่าอาตมาเองก็งงไปหมดเลยเอ๊ะเพลงอะไรวะเพลงพระเจ้าแล้วงงเพลงพระเจ้ามีด้วยเหรอ ท่านบอกว่าเมื่อเช้านี่ไปบินทบาทบ้านก่อได้ยินเพลงพุทธเจ้าท่านว่าพอออกไม่ออกเขามาเฮดนากันเขาก็เอาวิทยุทานที่เต้วางที่หัวขนาท่านก็เดินบิถบาตก็ได้ยินบอกไอ้หา่านี่มันสำคัญเว้ยมันร้องเพลงพุทธเจ้าเว้ยเอออยากรู้ไหมว่าเพลงพุทธเจ้าเพลงอะไรโอ้ยมันบนแนรหลอกนาย คนที่อยู่ตายไปก็มาวานนี่คนชื่อมีญากจนก็มากหลายอะไรอ่ะที่มันร้องอ่ตมาก็ร้องจับจา ไ, ไม่ได้เหมือนกันแต่ทํามาใจความโอ้มันบอแนดอกน้ํท่านว่าโอ้ไอ้นี่มันขําขันเว้ยมันร้องเพลงพระเจ้าซะด้วยก็อันนี้จังทุกขังอนาต่างอ่ะไม่แน่ไงล่ะนะเนี่เหลวพ่อชาเห็นไหมเล่าท่านฟังเพลงอัตมาอัตมาควางเพลงทุกวันแล้วจะจับใจความตอนไหนบ้างจะจับใจความตอนไหนมันเอ๊มันเข้าท่าเว้ยเนี่ยสาเหตุที่อัตมา ไม่ยอมสึกมีเมียก็เพราะเหตุอย่างนี้เพราะควังเพลงวงจันภัยรลบร้องโอ้โ